<c oughs> นี่ก็ผ่านนะมาเข้าเรื่องของเราเลยไปไหว้พระเจดีย์ทุกแห่งก็ไปตั้งความปรารถนาเพื่อเพื่ออะไรเพื่อบรลุอริยศัส์เนี่ยนะดูว่าพร้อมจะบรรลุหรือยังก็ามาเรียนอริยศาสตร์ดูดคืออริยศาสตร์นั้นการตรัสรู้หรือการบรรลุนี้เอาที่กิจเป็นประมาณใช่ไหมเอาที่กิจหมายคำากิจนี่แปลว่าหน้าที่อนะ คือหน้าที่ของสัจจะนั้นๆเอาตรงนั้นเป็นสาระที่สําคัญถ้าหากว่าเราไม่เอากิจมาเป็นประมาณเนี่ยนะคำพูดเราจะกล่าวตูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยถ้าไม่เอากิจของอริยสัจนั้นๆมาจับเช่นบอกว่าธรรมะก็คือความเกิดความแก่ความตายเป็นธรรมดาถ้าพูดอย่างนี้โดยที่ไม่มีกิจนั้นถือว่าคําสอนพระองค์ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ช่วยเราอะไรเลย เราก็ไม่จาเป็นต้องมาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนก็บอกว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นแหละถ้าพูดอย่างนี้โดยที่ไม่มีกิจนั้นสารณคมเราจะละลวมขึ้นมาทันทีเราจะไม่เห็นคุณของพระรัตนตรายอะไรเลยเพราะการศึกษาที่ดีที่ถูกต้องที่ควรจะเป็นนั้นนะการเรียนอริยสัจนั้นอยู่ที่การทากิจ ที่กิจของอริยศัตร์แต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันนี่นนะกิจของทุกขอริยศัสตร์ก็ปริญญากิจกิจของสมุทัยศัสตร์ก็ปฐานากิจกิจของนิโรสัจจะก็เป็นสัจจิกิริยาเนี่ย น, นะสัจจิกิริยากิจส่วนกิจของอริยมรรคก็คือภาวนาเนี่ย น, นะพาเวตพระ มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับบาลีตรงนี้เอาไว้นิดหนึ่งเนี่ยนะเพื่อประดับความรู้เ <c oughs> ช่นว่าตัวทุกขาอริยสัย์เนี่ยนะเป็นธรรม ะ, ระเท่ากับเป็นปริญยญาธรรมเนี่ยนะ โดยสภาวะเขาเนี่ยตัวทุกเองเนี่ยเป็นปริญญาธรรมกิจของเขาเป็นปริญญากิจต่างกันไหมตระยะตัวนี้เนี่ยแปลว่าควรเพราะฉะนั้นคําว่าทุกขสัตเป็นปริญญากิจทุกขสัตในฐานะเป็นกรรม รรแต่ถ้าเป็นปริญญากิจอันนี้เป็นกิริยาที่ไปไปกำหนดรูปะะนั้นคำว่าปริญญากิจอันนี้เท่ากับปัญญาแต่ถ้าปริญญยะเท่ากับเป็นเป็นทุกหมายถึงตัวทุกฤษฎีษัตร์หรือเท่ากับอุปาทานขันาหานนะอุปาทานขันหามันหอน เปิดไม่ไว้ั้ยเลือปิดกัปิดได้ไทนะัคำว่าอย่างเร่งเงบรลุนะัยคำว่าปริญ ญ, ญาธรรมเนี่ยนะที่หมายถึงว่าธรรมที่ควรกำหนดรู้เนี่ยนะเท่ากับพูดทุกขาริยศา์หรืออุปาทานขันห้าแต่ถ้าบอกว่าปริญญากิจ หรือที่เราใช้คำว่าทำปริญญาเนี่ยนะอันนี้เท่ากับเราบอกว่าเจริญปัญญาซึ่งถ้าแบ่งถ้าแบ่งไปแล้วเนี่ยตัวปริญญาเนี่ยนะหรือตัวปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้ตัวทุกข์สัตย์เป็นสิ่งที่ควรควรเข้าไปรู้เนี่ยนะนันก็พยายามสังเกตคำสองคำว่า เมื่อใดที่พูดว่าปริญญาธรรมแสดงว่าพูดอุปาทานขันห้าอยู่แต่ถ้าเมื่อใดใช้คาว่าทำปริญญาหมายถึงขณะนั้นเรากาลังพูดตัวปัญญาอยู่เนี่ยนะก็แยกว่าตัวปริญญาเนี่ยก็คือตัวปัญญาที่เข้าไปไปพิจารณาในสิ่งที่ควรพิจารณานนะสิ่งที่ควรพิจารณาสิ่งที่ควรรอบรู้นั้นก็คืออุปาทานขันห้า ถ้ากล่าวอย่างนี้เนี่ยนะปัญญาที่มาพิจารณาทุกนั้นแบ่งเป็นสองระดับคือยาตะปริญญากับตีรณะปริญญาปัญญาแบบเรียกว่ายาตะคือรู้ในความในในทุกในทุกที่มีอยู่แล้วตามสภาวะพร้อมทั้งปัจจัยแต่ถ้าตีรณะก็คือเข้าไปใคร่ครวน ทุกโดยแง่มุมต่างๆยาตะปริญญานั้นเป็นการรู้ทุกขศาสต ร, ร์โดยปัจจัตลักษณะา น, นะรู้ทุกโดยปัจจัตลักษณะนะยาตะปริญญาเข้าไปรู้ทุกโดยปัจจัตลักษณะถ้าตีรณนาปญญาตัวปัญญาที่เป็นตีระนั้นจะเข้าไปรู้ทุกโดยสามั ญ, ญลักษณะ เนี่ยนะตัวยาตะปริญญาตัวปัญญาเนี่ยรอบรู้สภาวะเรียกว่าขอบเขตของเขาเป็นการรู้สภาวะก <c oughs> ็อ่านจะอ่านให้อ่านยะกันแล้วกันลบก็ได้แนะ้นก็กำหนดปัจจตะคือสภาวะพร้อมทั้งปัจจัยเนี่นยนะไอ้คำว่าสภาวะเนี่ยสภาวะเป็นปัจจัยแก่ สภาวะใช่ไหมท่นธะกำหนดสภาวะได้จริงต้องกำหนดทั้งปัจจัยและปัจจัยบันเพราะตัวปัจจัยก็เป็นสิ่งที่มีสภาวะผลของปัจจัยก็ต้องมีสภาวะเพราะฉะนั้นอันนี้เท่ากับว่ารอบรู้พร้อมปัจจัยสิ่งที่รอบรู้พร้อมทั้งปัจจัยที่ว่าคืออะไรคืออะไรอุปาทานขันท่า ทีนี้ถ้าที่ใช้เย็นเน้นคําว่าสภาวะเนื่องจากว่าขันท่าเนี่ยถ้าแบ่งย่อๆก็คือรูปกับนามใช่ไหมถ้าแบ่งย่อนะคือรูปกับนามรูปมีลักษณะคือรูปปัลักษณะรูปทุกรูปสลายไปเห็เนไหมแล้วถ้านามล่ะนามทุกนามมีลักษณะน้อมไปเพื่อรู้อารมณ์อันนี้้ว่าแบบยอ่อถ้าขยายพิสดารขึ้นรูป ปทวีธาตุก็แข็งเป็นลักษณะอาโปธาตุเอิบอาปเป็นลักษณะเตโชธาตุมีลักษณะร้อนหรือร้อนหรือเผาเป็นลักษณะวายโยธาตุคร่งตึงหรือเคลื่อนไหวเป็นลักษณะทีนี้ถ้ารู้ลักษณะก็รู้พร้อมทั้งปัจจัยว่าปัจจัยที่ทำให้ปทวีธาตุเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรอะไรเป็นปัจจัยแก่ปทวีธาตุอะไรเป็นปัจจัยแก่เกตโชธาตุวายโยธาตุและ อาปโปธาตนั้นเรียกว่ารอบรู้พร้อมทั้งปัจจัยอย่างเช่นพระผู้มีพระภาคแสดงแบบปัจจัยแบบย่อๆว่าก็กายนี้เป็นที่ประชุมแห่งมหาพูททั้งสี่มีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเจริญด้วยข้าวสุกและขนมสดเนี่ยนะต้องอบต้องฟันเป็นนิดอันนี้เป็นการแสดงอะไรปัจจัตตลักษณะของ อุปาทานขันห้าพร้อมทั้งปัจจัยว่าเออขอไปของรูปประคันว่ารูปประคันสภาวะเขาเนี่ยมหาพูดมันประชุมกันนะมีบิดามารดาเป็นที่ให้เกิดขึ้นอาศัยอาหารเนี่ยที่เจริญเติบโตแล้วก็บริหารด้วยการอบการนวดการฟันเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งคนที่เรียนธรรมะแบบนี้กรรมมศกตาต้องดีอยู่แล้วใช่ไหมถือว่ากรรมสกตาดีอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้ชี้เด่นชัดไปที่ อาหารเชรูปเป็นหลักปัจจัยคืออาหารทีนี้เมื่อจะกล่าวสามัญลักษณะของรูปนั้นอ่ะพระองค์ก็บอกว่าท่านจงพิจารณารูปนี่แหละก็คือกายนี่แหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของไม่ใช่ตนเนี่ยนะเป็นอนัตตาเนี่ยอันนี้แหละเรียกว่ากล่าวแบบสามัญลักษณะนั่น ทีนี้ถ้าถ้าพิจารณาอย่างนี้มากๆแล้วนะอันนี้สองคืออะไรละอำนาจคิด อ, อะไรนะเมื่อท่านพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความลาบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นของไม่ใช่ตนอยู่ท่านจะละความเยื่อใหยในกายเนีย่ยนะตัวเยื่อใยในกายเนีย่ยนะ ความเป็นอยู่ในอำนาจของกายเนี่ยนะเรียกว่าตกอยู่ในอำนาจกายตกอยู่อำนาจของกายแล้วก็อีกอันหนึ่งคือความเป็นอยู่เอละความเยื่อใยในการตกอยู่ในอำนาจของกายนะก็คือแต่ว่าโดยรวมๆก็คือเยื่อใย ห, หรือตกอยู่ในอำนาจก็เท่ากับบอกว่าฉันทราคะ ในกายเพราะฉะนั้นถ้าท่านพิจารณากายเนี่ยโดยไม่เที่ยงเป็นต้นดังกล่าวไปแล้วเนี่ยนะท่านจักละเยื่อใหญ่ในกายความเป็นอยู่ในอำนาจของกายในกายก็คือตัดฉันทราคาในกายได้อันนี้เป็นการแสดงปหาณปริญญาเนี่ยน ะ, ะตัวนี้เท่ากับเป็นปหาณากิจ เป็นปหานกิจเพราะปัญญานี้เป็นตัวตัวทกิจตัวทากิจละใช่ไหมละอะไรละฉันทราคะหรือละเยื่อใหญ่เยื่อใหญ่ก็เป็นชื่อของตันหาหรือการตกอยู่ในอำนาจของของอุปาทานนัขันห้านั้นถ้าแสดงการทำปริญญาในกองทุกข์กับละสมุทัยนะเท่าก็ บ, บอกว่าไล่ทำนิโรธให้แจ้งแล้ว เพราะว่าการการที่จะละตัดฉันทราคะในกายได้ต้องมีอีกสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์สิ่งนั้นเรียกว่านิพพา น, เ, นนะเมื่อมีนิพพานนะเป็นอารมณ์แล้วจึงจะตัดฉันทราคะได้อย่างอย่างแท้จริงนะกิจกรรมฝ่ายปริญญาเนี่ยนะเป็นกิจกรรมฝ่ายมักมักเนี่ยทำกิจทำปริญญากิจทาปหาณกิจและทำ สัจฉิกิริยากิตเนี่ยนะกิตคือการทำให้แจ้งก็เป็นเรื่องของปัญญาใช่ที่ไปทำให้แจ้งนั้นก็อย่างนี้เท่ากับกล่าวอริยสัจสี่แล้วใช่คือทุกในฐานะเป็นธรรมที่ควรควรกำหนดรู้ฉันทราคะคือความเยื่อใยเป็นต้นเป็นธรรมที่ควรละนิพพานควรทำให้แจ้ง ถามว่ากำหนดรู้นี่เอาอะไรมากำหนดรู้ก็เอามรรคเบื้องต้นคือปัญญาเบื้องต้นนี่มาทำปริญญาในกองทุกปัญญาในระดับกลางมาละฉันทราคาก่อนจนกว่าปัญญาจะทำกิจเห็นนิพพานแล้วก็ชื่อว่าทำกิจยาตะปริญญาปหานาปริญญาอย่างสมบูรณ์เนี่ยนะต่อเมื่อนิพมีนิพพานเป็นอารมณ์ทนการตรัสรู้ในอริยสัจในศาสนานี้ต่อเมื่ออริยมรรคเนี่ยมี นิพานเป็นอารมณ์นั้นจึงจะเรียกว่าเป็นการทํากิจในาศาสนานี้อย่างแท้จริงแต่ถ้าเป็นเบื้องต้นล่ะเบื้องต้นก็คือเป็นแนวทางเพื่อเพื่ออะไรเพื่อทําปริญญาเป็นต้นนั่นเองก็คงพอแยกแๆกันได้อย่างนี้ไหในการการแสดงธรรมเนี่ยนะการฟังธรรมเนี่ยจะต้องฟังให้ออกว่าคําที่กําลังพูดถึงเนี่ยพูดถึงกลุ่มไหนอยู่ เช่นบอกว่าปริญญาธรรมแสดงว่าเรากําลังพูดถึงอุปาทานขันห้าอยู่แต่ถ้าพูดถึงยาตะปริญญาแสดงว่าเอาอุปาทานขันห้านั่นแหละมาวิจัยพร้อมทั้งปัจจัยโดยแง่มุมต่างๆและคูณการสามอดีตอนาคตเป็นต้นถ้าเอาตีระปริญญาก็คือพิจารณาอุปาทานขันนั้นอุปาทานขันห้านั่นแหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นเอง นี่ถ้ากล่าวปหาณนะปริญญาก็คือละวิปลาบละเยื่อใยละฉันทราคะละเด็ดขาดจริงๆต่อเมื่อมีนิพานเป็นอารมณ์นั่นเป็นหน้าที่ของอริยมรรคมันปัญญาเหล่านี้ก็สัมพันธ์กันมาอย่างนี้เนี่ยนะเพราะความบริบูรณ์สมบูรณ์จริงๆอยู่ที่อริยมรรคเนี่ย น, น, น, นะตัว ตัวตัวตรงนี้เนี่ยนะถ้าเรียกชื่อตามเนี่ยถ้าเป็นทุกขาริยศาสตร์ก็เป็นปริญยยาธรรมใช่มถ้าสมูทัยอันนี้เป็นปหาตัพระธรรมเป็นธรรมที่ควรละอีกฝั่งนี้เนี่ยเขามีชื่อของเขาพิเศษว่าปหายกะธรรมธรรมที่เข้าไปละตัวที่ถูกละกับตัวที่เข้าไปละ นะัน่ะที่ราก็ตัวตัวที่ถูกละเรียกว่าปหาตประธรรมตัวที่เข้าไปละเรียกว่าปหายกะธรรมถ้นะา น, นิพานเนี่ยมีชื่อว่าสัชกาตปรรมสัชกาตพภะไอตภะตัวนี้แปลว่าควรนะเป็นกรรมคำพูดที่หมายถึงกรรม ส่วนสัจฉิกิริยากิจตัวสัจฉิกิริยาก็คือตัวปัญญาที่เข้าไปทำให้แจ้งเห็นะหมพันตัวปัญญาทั้งหมดดังกล่าวไปเนี่ยนะที่จะสมบูรณ์จริงๆอะ่ะเช่นว่าทำปริญญาสมบูรณ์จริงเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นทำการละที่สมบูรณ์ก็ขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นการทำให้แจ้งที่สมบูรณ์ที่สุดขณะอริยมรรคเกิดขึ้นมรรคแบบนี้คูณสี่เข้าไป แต่ทั่วๆไปท่านนายพระต่าพิดกพูดว่ามัศเน้นที่อรหัตมัศเพราะเวลาพูดอะไรเขาจะพูดยอดเอาไว้ก่อนส่วนใครทําได้ขนาดไหนก็เป็นเรื่องของบุคคลนะพระพุทธเจ้าอัธยาสายใหญ่มันแสดงให้บรรลุเลยทําที่สุดแห่งทุกได้เป็นพอคําว่าเวศนี่ก็หมายความว่าอรหัตมัศด้วยใช่ไหมครับถึงที่สุดถึงเวศนี่เป็นคำว่า เวทเนี่ยนะเวทบางทีก็เนี่ยเป็นชื่อของอรหัตมรักเวทเวทะก็แปลว่าความรู้บางทีก็เพิ่มอีกคำหนึ่งว่าเวทคูผู้ถึงความรู้เนี่ยนะเรียกว่าสุดยอดของความรู้นี่แหละคืออรหัตมรักเนะี่ยนะเรียกว่าเป็นผู้ถึงเรียกว่ายอดยอดแข่งการรู้จริงๆเพราะว่าหลังจากนี้ไปก็ไม่ต้องอะไรอีกแล้วเพราะว่าบรรลุแล้วนะนะเรียกว่าเป็นผู้ถึงเวทะคู หมายถึงถึงอริยมรรคแต่คําว่าเวตคูนั่นก็มีความหมาย อ, อีกในหนึ่งก็คือเน้นเวทนาขันในในอุปาทานขันท่าเนี่ยเน้นเวทนาขันผู้ที่ทําเวเอาเวทนามาทำปริญญาแล้วบรรลุอริยมรรคบุคคลนั้นก็เรียกว่าเวทคูอันนั่นอีกในหนึ่งโดยศสา์มันเล่นได้หลายในจะเอาในแบบนี้ตรงตรงเออเอาในแบบนี้กว้างกว้างไว้ก่อนก็ได้ แต่ชี้ชัดว่าเจริญเวทนานุปัสนาแล้วบรรลุมรรคผลจะเรียกว่าเวทาคูอย่างนี้ก็ได้แล้วก็พูดถึงฝั่งแห่งเวทหรือผู้ถือฝั่งแห่งความรู้เนี่ยนะอันใครก็ตามที่ทํากิจอันนี้จบผู้นั้นก็อะไรถึงที่สุดแห่งทุกเนี่ยนะเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือเป็นผู้ทําที่สุดแห่งทุกอันที่จริงแล้วปัญหาที่เราอยากจัดการที่สุดคืออันนี้ เพราะอะไรเพราะมันเป็นภาระเหลือเกินนะไม่ไหวแล้วเหมือนนภาระเอามากเลยเคลื่อนย้ายหกเจ็ดสิบกิโลไปเรื่อยนะไปนอนมันก sure> ็นอนด้วยยืนก็ยืนด้วยเดินมันก็เดินด้วยนะโอ้โหนย้ายภาระกันคนละห้าสิบกิโลหกสิบกิโลเจ็ดสิบกิโลทำวินิจฉล่ะนะไปไหนก็ไปด้วยแปดสิบห้านะลุกก็ลุกแปสิบห้านั่งก็นั่งแปดสิบห้า นอนก็นอนแปดสิห้าไปไหนก็ไปแปดสิบ้าอันนี้เฉพาะรูปใช่ไหมแล้วก็ไปหาถามว่าไปไหนบอกไปหาปัจจัยไอ้บริหารไอ้แปดสิบห้าให้มันเป็นไปได้ต่อไปนี่แหละไปหาปัจจัยเหมือนกับถ่าทักกายนี้เป็นน้ำเป็นเปรียบเหมือนไฟนะก็ไปหาฟืนมาเติมอยู่ตลอดเวลาแล้วมันไม่ใช่รูปอย่างเดียว น, นะเวทนาด้วยละ่ะแล้วก็บริหารเวทนาอีกบริหารรูปให้ดีเพื่อให้เวทนามันคงตัวใช่ไหม ในการที่จะบริหารเวทนาได้ก็ต้องไปหาภาษะให้มันไปหาภาษะให้แล้วภาษะแต่ละเรื่องเนะยมันน่าเบาหรือว่ามันน่าหนักนะภาษะบางอย่างนี่แพงมากะนะแพงมากเพราะว่าจะดูภาษะบางอย่างใช่ไหมก็หลายตังอะ่ะจะใช้ภาษะบางอย่างจะบริโภคภาษะบางอย่างก็โอ้โหแพงมากมันรับภาระมากเดือดร้อนมากั้นถ้าคุณมุนชูจะบริหารไม่ให้ทุกขากายยะวิญญาณมันเกิดนะ ก็ต้องไปโน่นนะคลินิกกันแหละบริหารเอ า, เอายามากินเพื่อบริหารไอเวทนานี่ไม่ให้มันมันสร้างปัญหาเพราะถาเดี๋ยวมีเวลาจะได้คุยถึงไอการบริหารขันอีกครั้งหนึ่งนะนะโอ้โหมันมหาภาระจริงๆเลยทีนี้ของเราทั้งหลายดูมันไม่ค่อยเป็นภาระก็เพราะว่ามันแข็งแรงดีอยู่รอกนะแต่ก็ในนี้ก็บริหารภาระภายในยังไม่พอไปบริหารภาระภายนอกอีกใช่ไหม ก็พยาบาลทั้งหลายก็บริหารทั้งภายในทั้งภายนอกโดยคาเนี่ยนะโดยคำเนี่ ย, ย, เ, ย, ย, เ, ยเป็นคำที่ซ้อนกันอยู่ในนี้ว่าถ้าที่ใดใช้คำว่าปริญญานะตัวที่ทำปริญญาจริงๆคือตัวนี้ตัวมั ด, อ, อ, มดอ่าใช่ คงนึกออกนะโดยกิจกับโดยอารมณ์ถ้าโดยกิจจริงๆเนี่ยต่อเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์จึงชื่อว่าทำปริญญากิจอย่างบริบูรณ์แต่ถ้ากําลังทําปริญญาถ้าโดยอารมณ์ก็ขณะนั้นกําลังพิจารณาขันห้าอยู่แต่ถ้าอริยมรรคเนี่ยขณะที่มรรคเกิดชื่อว่าทำปริญญากิจ ด, ด้วยขณะที่มรรคมีนิพพานเป็นอารมณ์ เชื่อว่าทำปริญญากิจโดยกิจนะไม่ใช่โดยอารมณ์เชื่อว่าละโดยโดยกิจแต่กับนิพพานเนี่ยเชื่อว่าทำให้แจ้งโดยอารมณ์งนั้นขณะที่อริยมรรคเกิดเนี่ยทำปริญญาโดยกิจทำการละโดยกิจทำให้แจ้งนิพพานโดยอารมณ์เขาจะแบ่งลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าอย่างอย่างผู้ที่อยู่ในหรือผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในชั้นล่างล่างก็จะรู้จักเฉพาะปริญญาโดย อารมณ์ไม่เข้าใจคำว่าปริญญาโดยโดยกิจสักเท่าไร่นะแต่เมื่อศึกษาธรรมะพวกนี้จนถึงเข้าใจอริยมรรคเป็นอย่างดีจึงจะเข้าใจคาว่าทำปริญญาโดยโดยกิจแต่ไม่ใช่ว่าโดยอารมณ์ทีนี้เนื่องจากว่าเมื่อไม่เข้าใจโดยกิจเนี่ยในขณะนี้นิพพานเป็นอารมณ์ทำปริญญาอะไรใช่คำถามนี้จะเข้ามา ขณะที่มัสมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วละกิเลสอะไรก็ตามมาใช่คำถามประเภทนี้จะตามมามัสมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยละกิเลสอะไรตกลงมันละกิเลสอดีตอนาคตหรือปัจจุบันละกิเลสที่มีอยู่หรือไม่มีอยู่กันแน่อะไรที่มาของปัญหาเนี่ยนะก็เพราะไม่เข้าใจคําว่าโดยกิจกับโดยอารมณ์นั่นเองแต่แต่เรื่องนี้ก็ ถ้าจะตอบให้มันยากก็ยากก็คือบรรลุแล้วก็รู้เองฟังไม่ยากแต่ว่าเออพูดไม่ยากแต่ว่าทำยากยากทีนี้ตอนนี้เรากำลังพูดเนื้อหาโดยคลุมไว้ก่อนว่าเนื้อหารวมๆเป็นอย่างนี้วิธีอีิบายพระธรรมที่เราเรียนอยู่นะไม่พ้นในตารางที่กำลังกล่าวไปนี่หรอก นะเพียงแต่ว่าจับให้ถูกขนาดน่นนะว่าเดินเรื่องจากไหนไปหาอะไรเนี่ย น, นะก็ที่เหลือก็ศึกษาเหมือนวิธีเดินทางแล้วนี่พอสับสนก็ลำบากอีกแล้วโอ้ธรรมะลึกซึ้งจริงๆยกให้ความลึกซึ้งนี่ก็ชนะหมดแล้วนะโอโมันลึกซึ้งอ่ะอเลยติดอยู่ตรงนั้น บอกในวิจุดที่มักรท่านบอกว่าใช้เวลาไม่กี่วันก็พอจะรู้แล้วท่านว่างนั้นนะฮะไม่เชื่อว่าเออมาจากคำภีหรือเปล่าก็มันยากไหมล่ะคิดดูนะว่าปัจจัตกตลักษณะนเนี่ยรู้ยากหรือรู้ง่า ย, ยา เ, รเราอย่างเช่นนะเราเราเอามาคิดดูนะว่าประกอบไปด้วยรูปกับอรูปใช่ไหมรูปก็แบ่งเป็นอะไรมหาพูด มหาพูดรู้ยากหรือรู้ง่ายรู้ง่า ย, ายคือรู้ง่ายหรือรู้ยากายคือจริงๆอะนะถ้าโดยการฟังเนี่ยเข้าใจไม่ยากแต่ว่าไอ้ที่จะสำคัญว่าเป็นมหาพูดตลอดการเนี่ยมันยากคือถ้าคนที่เข้าใจโดยความเป็นมหาพูดเลยใช่มเห็นอะไรก็ใส่ใจถึงความเป็นมหาพูดหมดเลยแล้ววันนี้ใส่ใจมหาพูดกี่ครั้งแล้วคุณผั้ชู อ, อ่อจะเป็นพักๆใช่ไหมเออตรงไม่ค่อยได้ใส่ใจนั่นแหละมันยากตรงนั้นแหละแล้วเช่นว่านามธรรมทั้งหลายเช่นภาษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตอย่างเงี้ยภาษาเวทนาสัญญาเจตนาจิ ต, าาญญ จ, ต, จ, ตจะว่ามันยากมันก็ยากจะว่ามันไม่ยากมันก็ไม่ยาก แต่ที่ยากก็คือวันหนึ่งเราก็ไม่ค่อยสนใจว่ามันเป็นเวลาคนอื่นเขาเสียใจกลับมานะเออนั่นเวทนาขันโอ้นี่เวทนา น, ะนี่เพราะประจวบกับอนิถารมเลยเวทนามันเลยเกิดนี่เพราะมันผัสสะแท้ๆนะก็ทุกเขเวทนาอันนั้นจึงเกิดขึ้นนี่นะเพราะว่าสัญญาวิปลาสนี่นะเพราะกามมาสัญญาเป็นต้นนั่นแหละเป็นปจัจจัย เนี่ยนะเจตนาของเขากับล่วงมาทางกายกรรมวจกรรมเนี่ยนี้วจีกรรมทั้งนั้นนี่พยาจิตราษมันหลอกเอาแล้วนะจริงๆมันเป็นอย่างนี้ใช่มแล้วใส่ใจอย่างนี้ไหมอันนี้แหละเ้าเรียกว่ายากยากอย่างหนึ่งเนะยากชั้นที่หนึ่งยากชั้นที่สองปกติมหาพูดมันควรจะอสุภะใช่ไหมเวทนาควรจะเป็นทุกจิตควรจะไม่เที่ยง ภาษาเวทภาษาสัญญาเจตนามันควรจะอนัตตาแต่เวลาเถียงกันมันอย่างนี้ไหมเวลามีปัญหาอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นมาใช่มันอสุภาษามันเป็นทุกข์มันอนิจจงมันอนัตตาจริงๆอันนี้แหละก็เลยเรียกว่าเป็นความความยากของอุปาทานขันห้าเพราะปกติสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันคิดตรงกันข้ามหมคิดยังไงคิดว่าสุภาษานะ คิดว่านิจะคิดว่าสุขะคิดว่าอตตะอั ต, ตาพื้นฐานมันคิดอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นทุกมันก็เลยยากถ้าแปลในหนึ่งบอกว่าพระพุทธเจ้าก็พยายามจะชี้ให้เห็นมันก็เห็นตามบ้างไม่เห็นตามบ้างไอ้พวกที่ไม่ยอมเห็นตามนี่แหละเลยชี้ยากมากๆเลยนะก็จะว่ายากว่าง่าย ก, ก, ก็ก็ดูไปตามนั้นแต่ถ้าแบบ แค่ทำความรู้จักเฉยๆแค่เรียนรู้เนี่ยไม่น่ายากอะไรแต่ที่ยากคือที่จะเจริญแล้วเห็นอย่างนั้นตลอดไปเนี่ยนะจนกว่าจะทั้งหมดนั้นคืออสุภะอันนีจ้จะเป็นทุกข์นะเป็นอนัตตานะทั้งหมดเนี่ยปีละนะเนไนะสันตาปณะนะวิปริณามะนะ สังคตานะก็ประมวลมาตามนี้ไปเลยเนี่ยมันก็ความยากความลึกซึ้งมันก็จะเริ่มมีขึ้นแต่ถ้าตัวมันเองจริงๆมันไม่ค่อยไม่ค่อยรู้มันค่อยอยากหรอกก็คิดดูนะรูปรขันรู้ยากหรือไม่ยากมันก็รู้รู้กันอยู่แล้วะนะมันก็ไม่ได้ซับซ้อนลึกซึ้งอะไรผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยนะปฐวีาธาตุเนี่ยยากหรือไม่อะ่ะ แต่ถ้าจะว่าให้ยากมันก็ยากยากไปทุกเรื่องอ่ะเชื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นของยาก